ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นเสียงธรรมจากมาวิตรัยศรีปทุมกำลังพูดถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในช่วงจีวาด้วย น, นิรณาปร ะ, ระลุมกดที่ว่าด้วยนิบวร น, นิบวรเราได้พูดมาตามลำดับคือกามาฉัน จิตที่เหนียวนึกสึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่จิตตนใคร่พยาบาทจิตที่เหนียวนึกสึกนึกด้วยอำนาจความมาฆาตพยาบาทในสิ่งที่ตนไม่ชอบสีนมิถะความง่วงเหงาหานอนซึ่งซึม ง, ง่อยเหงาหดหูพเพลเพลิมจุดชื้นชาเย็นเหนื่อยหน่าย ท, อ ท, อทอ้อถอยเสิ่งหมดอะไรไป ย, ยากเป็นต้น เป็นอาการของโมหะอุต จ, จักุปจจาความคุ้งส่านรำคาญเป็นอาการของโมหะกับโทษะ า, ามให้คิดผ่านไปในรมต่างๆครูเจ้าทรงสอนให้มองถึง นิวรณ์แต่ละข้อที่บังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นแต่บังเกิดขึ้นข้อใดก็ให้รู้เห็นทาความเป็นจริงในข้อนั้นนั้นแต่ไม่บังเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นทาความเป็นจริงจิตนี้ถ้าเกิดขึ้นก็มองสืบสาวไปว่านิวรณ์แต่ก่อนที่ยังไม่เกิดนั้น เป็นอนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและในวรนที่เกิดขึ้นแล้วจะสงบไปได้อย่างไรนิวัที่จะสงบไปแล้วจะไม่กำเริบขึ้นมาอีกได้โดยวิธีใดซึ่งพูดไปพูดมาเอาก็จริงแล้วทั้งสี่ข้อเนี่ยข้อแรกคนที่ลาได้ขาดก็คือต้องเป็น พระโสดาบันจนถึงพระอระหันต์แล้วข้อที่สองก็เป็นพระอนาคามีข้อที่สก็เป็นพระอรหันต์ข้อที่4ก็เป็นพระอระหันต์กับพระอนาคามีข้อต่อไปคือวิจิกิจาความเครือดแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆ โดยเยพาะอีกคือเรื่องที่เรายัางรู้ไม่ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่เราลองยังรู้ไม่ชัดเจนแล้วก็เคลือบความสงสัยนี่เยอะแต่ว่าที่สําคัญในที่นี้ท่านเน้นไปที่ความเคลือยกล่งมสงสัยในอริยสัจทั้งสี่ประการ ไอ้ น, นี่เป็นทุกเป็นทุกจริงไหมทําไมจึงเรียกว่าเป็นทุกไอ้น <ấy> ี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกเป็นเหตุเกิดแห่งทุกจริงไหมทําไมจึงเป็นเหตุเกิดแห่งทุกไอ้นี่นิโรธความดับทุกความดับทุกจริงไหมทําไมจึงเป็นความดับทุกไอ้นี่คือมรรคมรรคเป็นเหตุแห่งความดับทุกจริงไหมทําไมจึงเหตุแห่งความจึงเป็นเหตุแห่งความดับทุกเป็นต้น ก็เป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ว่าการที่จะกระจัดความสงสัยในอริยสัจสี่ออกไปได้สมบูรณ์เนี่ยมันต้องเป็นระดับพระอระหันต์ครับแต่ความสงสัยเริ่มถูกขจัดไปตั้งแต่เป็นปัจดุบัน พอบรรลุโสลาปฏิมากรก็าากรจัดความเคลือบแคลงสงสัยลงไปได้แต่ว่าปูส ม, มุไทยนั้นจะดับอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อตันผู้นั้นบรรลุมรคลเป็นพระหันไปแล้วและจากความเคลือบแครลงสงสัยในอริยศาสตร์ทั้งสประการก็นำไปสู่ความสงสัยในเรื่องอดีต จากก่อนเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นยังไงเกิดเป็นอย่างไรเกิดที่ไหนมีทุกข์มีสุขอย่างไรมีอาหารอย่างไงมีรูปร่างอย่างไรมีฐ า, า, านะทางทรัพย์สินสังคมเป็นอย่างไงเนี่ยบันมีเรื่องให้สงสัยได้ตลอดตราบใดที่เรายังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็สงสัยไปเรื่อย ไม่รู้ในอนาคตคือว่าต่อไปเราจะเกิดอีกหรือไม่หรือว่าเราจะไม่เกิดอีกถ้าเราจะเกิดอีกเราจะเกิดอีกเป็นอะไรเกิดเป็นอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรมีอาหารอย่างไรมีสถานะอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรตายแล้วไปเกิดในที่อื่นอีกไหมอะไรแต่อต่างๆนี่ก็ตั้งับถามถามไปเรื่อยๆเราก็สงสัยทั้งอดีตอนาคต มาความอาการนี่อยู่ของปัจจุบันเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับอดีตหรือไม่หรือไปเชื่อมโยงกับอนาคตรหรือไม่มันเกี่ยวกันหรือไม่นายกอเกิดในชาตินี้เป็นนายกอในชาติต่อไปจะเป็นนายกออีกไหมแล้วก็นายกอกับนายกอช า, ชาตินี้เชื่อมโยงกันอีกหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็เป็นความสงสัยที่ไหลต่อกันไปเรื่อย มาสรุปรวมที่ความสงสัยในกฎของปัจจัยการคือกฎของปฏิจจสมุปบาทกฎปฏิจจสมุปบาทแ ท, ท้จริงก็คือกฎของอเรเยสัตสีนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องวิชิกิจชาคือความเครือนแปรงสงสัยพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ดูในวิจิกิจชานี่แหละคือพวกความวกลงพวกความเครื่อนแปรงสงสัยใน ในเรื่องต่างๆดังกล่าวแล้วคือในชั้นแรกเนี่ยดูว่าวิจิกานิวอรเนี่ยเกิดขึ้นแก่เราหรือไม่ถ้าเห็นว่ามันเกิดถ้าเห็นว่ามไม่เกิดก็รู้ว่าณขณะนี้วิจิจิไม่ใช่นิวรนก็ได้ข้อหนึ่งไม่เกิดขึ้น ทีนี้ถ้าเกิดตีต่างว่าเป็นวิจิกริชาเกิดก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าวิจิกริชาในวันนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราทีนี้ก็ถามต่อไปว่าวิจิกิจชาแต่ก่อนนี่มันยังไม่เกิดเดี๋ยวนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมจึงเกิดขึ้น ก่อเหว่าการที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเรามีความคิดด้วยอุบายวิธีที่ไม่แยบคายเรียกว่าขาดลักของโยนิโซมานติการหรือขาดการคิดการไข้ครควนการเพ่งพินิดพิจนารณาดูโดยอุบายวิธีที่แยบคายคือเราสงสัยเรื่องกฎของกรรมเรื่องกฎแห่งสังสารวัฏคนเราตายแล้วเกิดอีกหรือไม่หรือว่าเราไม่เกิดอีก นะถ้าเกิดอีกต่อไปจะเป็นยังไงมีนรกสวรรค์จริงหรือไม่อะไรเนี่ยมันก็เป็นความสงสัยไปเลยเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเรื่องเหล่านี้เราไม่รู้ด้วยการคาดคิดหรือคาดเดาหรือคาดคะเนเอาแต่จะต้องอาศัยการใช้หลักของโยนิโสมันใการคือว่าพิจารณาเทียวเคียง โดยวยวิธีที่เหมาะสมมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีที่ไปมีที่มาโดยถูกต้องจึงจะเกิดเป็นความรู้ความกระจ่ายที่ถูกต้องได้ประการต่อไปวิธิกิฉานิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วสามารถสงบลงไปได้โดยวิธีใดโดยรู้วิธีนั้น วิจิติศานิวรณที่สงบลงไปแล้วนี่มันสงบได้หลายชั้นชั้นหนึ่งบางเรื่องเรื่องไม่ใหญ่ไม่วิจิตพิสดารอะไรเท่าไรก็นํามาเพ่งพินิษ์พิจาราก็จะเกิดความเข้าใจเช่นว่าบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของปูญญ่ย่ารายายบุญคุณของประเทศช า, าศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยแต่ที่จริงก็คิดไม่คอยยากหรอก เพียงแต่ว่าพร้อมที่จะเอามาคิดหรือไม่แต่เราคิดเราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงแล้วความเห็นก็จะไปตรงไปสอดคล้องกับบุคคลอื่นประการที่สองนั้นมันเป็นความสงบระดับการใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในชีวิตปัจจุบัน ซึ่งวิธีที่จะล่าเหล่านี้อาจจะทำได้หลายอย่างหนึ่งเป็นคนที่ได้รับการสลับจับฝั่งมามากเรียนรู้มากมีประสบการณ์มากจะเรียกว่าเป็นนักปราศมีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรูป้ประกอบปรือหัวใจของนักปราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลัก ที่ทรงแสดงไว้มากเป็นพิเศษก็คือหลักของภาวุสูตรคือศึกษาเรียนรู้สลับสะฟังมามากมีประสบการณ์ตรงทางประสาท ส, สัมผัสมากทรงจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มาก่างเรื่องเป็นกฎเป็นสูตรเป็นเกณฑ์ก็ทอกได้แม่นยำจำได้ แล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาพินิษ์พิจารณาจนเกิดเป็นความเข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยเรียกว่าวันตกผลึกอยู่ภายในใจเราก็จะตอบได้ในทันทีทันใดในขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันก็พยายามหมั่นสอบสวนไตส่สวน ทวนถามท่านผู้ที่มีความรอบรู้มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นมีความรอบรู้ในจำนานในพระวินัยถ้าเรื่องพระวินัยก็เรื่องพระวินัยเรื่องประธรรมก็เรื่องประธรรมอภิธรรมก็เรื่องอภิธรรมก็แล้วแต่แหละจะหมายความว่าเรื่องเหล่านั้นเราจะต้องมีความรอบรู้มีความจำนี้จำนาน แล้วก็มากโดยการน้อมใจเชื่อถ้าเป็นหัวดื้อกระด้างปฏิเสธไปเรื่อยใครว่าอะไรก็ปฏิเสธเรื่อยอย่างนี้ก็จะยากแล้วก็ข้อหาสมาคมกับคนดีเป็นมิตรเป็นสหาย เวลาพูดจาสนทนากันเนี่ยพูดจาแต่ถ้อยคาที่มันสบายสบายถ้าเราพูดจาถ้อยคาที่ไม่เป็นที่สบายเนี่ยแม้แต่เป็นเพื่อนเป็นครูกันก็ยากที่จะทำความเข้าใจกันได้นี่ก็เป็นการบรรเทาคือไม่ใช่ดับนะไม่ใช่ดับแต่ว่าเป็นการบรรเทาวิกิกิฉานิวรลงไป ทีนี้ถ้าให้ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นหรือเป็นการบรรเทาระดับฌาบนบรรเทาระดับฌานนี่ก็อาศัยวิจารณซึ่งเป็นองค์ฌานอาศัยวิจารณซึ่งเป็นอน์ฌานเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็จะใส่ตรองจะเพ่งพินิจพิจารณาจะดูสิ่งเหล่านั้นและจะเกิดความ รู้ความเข้าใจที่ถูกตรงมากยิ่งขึ้นโดยลําดับแต่ก็ไม่ได้หมายความมาสมบูรณ์นะฮะคือเป็นเรื่องระดับที่ถ่ายถอนผ่อนคลายความเครือบแคลงสงสัยลงไปทีนี้ถ้าเอาเด็ดขาดเอาขาดกันจริงๆวิจิ จ, จาระความเครือบแคลงสงสัยในคนที่จะละได้เด็ดขาด คือพระสุรบันแต่พระโสุรบันนี่ท่านละอาศัยปัญญากับอาศัยศรัทธาเนี่เป็นหลักท่านมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์และในไตรสิกขาเพราะอะไรที่ท่านไม่แน่ใจท่านก็บอกว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนี้ข้อนี้พระหันทั้งหลายท่านแสดงว่าอย่างนี้ ท่านก็เชื่อตามพระราหัตอีกหนึ่งก็ใช้ปัญญาก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปันนบุคคลมีควันปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริงในระดับของท่านแล้วก็อีกประการหนึ่งจิตใจท่านบริสุทธิ์สูงขึ้นคือศีลท่านบริสุทธิ์สมาธิท่านมีพอประมาณปัญญาพอประมาณ แล้วก็ท่านก็ละสังโยชนะสัคือสกายติติความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาบนผูกเราปูกเขาหรือเป็นเราเป็นเขาแล้วก็วิจิกิจาความเครือแเพลงสงสัยทั้งแปดประการดังกล่าวแล้วท่านละได้แล้วก็ทีละปฏิปรามาณ คือการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยผลและความดีนี่ทันลาดได้เพราะฉะั้นก็การจะลาได้ขาดจริงๆก็ต้องตั้งเป็นกระโสดาบันขึ้นไปทีนี้ถ้าเรามองกันตามความเป็นจริงเราก็จะพบว่าพระ โซดาบันเองก็ยังต้องค้องใจสงสัยสอบถามอย่างพระนนกราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาวธรรมสภาวธรรมที่ลึกๆนี่ท่านก็ไม่เข้าใจอยู่บ้างเหมือนกันและในตอนสุดท้ายก็รับสั่งว่า โดยเหตุดังพัฒนามานี้พิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นความพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเที่ยงไปในธรรมบ้าง พิจาณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นทั้งธรรมเป็นเหตุเคื่อมไปในธรรมบ้างอยู่หรือว่าสติของเธอตั้งอยู่มั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเพียงสักว่าอาศัยอาศัยรู้อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกปิสูทั้งหลายแม้อย่างนี้และปิสูชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอยู่นี่ก็เป็นส่วนของนิวรณทั้งห้าประการก็หมายความว่าเป็นส่วนของกิเลสอะพวก ง, ง่าส่วนของกิเลส ข้อต่อไปก็คือขันทัพปะคือมวดที่ว่า้วยขันขันนั้นเป็นอภยากตะธรรมคือไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเองที่มีปนกันอยู่นี่ก็คือสังขารขันเป็นนามธรรมมีที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นกลางกลางก็มีแต่รูปเวทนาสัญญา บิญญาเนี่ยมันเป็นกลางกลางคือไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นหรือมั่นของคนเป็นจานวนมากคือหมายความว่าคนเราสามใ ด, ดที่ยังละกิเลสไม่หมดก็ยังยึดมัน่นถือมั่นในขันทั้งห้าอย่างเนี้ยพระเจ้าทรงสอนให้มองให้มองในสามกรณี รับสั่งว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันห้าอย่างไรเล่าอุปาทานขันแปลว่าขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมีอยู่ห้าประการประการแรกก็คือรูปูประขันขันคือรูป แต่แกสิ่งที่ประกอบกันด้วยดินน้ำลมไฟอากาศมาประกอบกันเราเรียกว่าขันท่าตาญาตนะสัจะอะไรอะไรต่างๆเรียกอะไรไดเยอะนะแต่สรุปว่าพวนี้ส่วนประกอบก็ประกอบแต่ดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟด้วยอากาศรวมเรียกว่าเป็นรูปเธอก็มาพิจารณาไอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยรูป จิตวตาเป็นรูปผูเป็นรูปกลินเป็นรูปรถเป็นรูปสัมผัสเป็นรูปเย็นร้อนน่อนแข็งเป็นรูปธรรมารลมเป็นนามก็สรุปว่าในร่างกายของเราก็เป็นที่รวมอยู่ของรูปกับนามแล้วก็ รูปมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรียกว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปรูปแต่และรูปมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเช่นรูปร่างกายของคนเราเนี่ยอาศัยปัจจัยทั้งรูปเป็นรูปเป็นนา ม, เ, นนามเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นรูปก็คือประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศดังกล่าวแล้วก็ตัวการสําคัญก็คือเชื้อกับไข่ เชื้อของพ่อกับไข่ของแม่ที่มาประสมกันอันนั้นก็เป็นรู ป, ปรธรรมแล้วก็พอแยกย่อยออกไปก็คือดินน้ําลมไฟอากาศนั่นแหละแต่ก็ส่วนที่เป็นนามธ ร, รรมก็คืออวิชาสังขารวิญญาณเป็นนามธ ร, รรมก็มาประกอบกันก็กลายเป็นรูป เรียกว่าที่เราเรียกเป็นนามารูปคือเป็นนามด้วยและเป็นรูปด้วยก็กลายเป็นชีวิตที่ถือไปสนที่ขึ้นในคันของมารดารูปอย่างอื่นก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละแม้แต่เราปรุงอาหารเราจะเห็นว่าเราทำอะไรมันก็เป็นการเกาะกุ่มคันของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกัรและการก็มาปรุงมาแต่งขึ้น แล้วว่ากลายเป็นรูปชนิดนั้นกลายเป็นสิ่งชนิดนั้นนั้นจากนั้นก็แสดงว่าอย่างนี้เรียกวเวทนาเวท น, นานั้นแปลว่าอาการที่จิตเสวยอารมณ์ความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใด สุขก็าตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกขไม่สุขก็าตามรวมเรียกว่าเป็นเวทนาผลเวทนาก็คือเวทนาขันเวทนาขันที่เป็นขันที่สามนะรูปเอ่อรูปเวเ อ, อเป็นขันที่สองะรูปเวทนาสัญญาก็ จิตเสวย อ, อารมณ์ไปตามประสาสัมผัสของเราทีนี้การกำหนดความพอใจหรือไม่พอใจของรูปเป็นต้นที่เราสัมผัสเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตเราที่เก็บสะสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ภายในใจด้วยความรักหรือในความชังแต่เราเก็บสะสมไว้ด้วยความรักมันก็รู้สึกเป็นสุขเวทนาทีเราเห็นรูปมันเป็นที่รัก แต่เราเก็บสะสมไว้ด้วยความไม่พอใจพอสัมผัสข้าวก็คือทุกขเวทนาเราไปเห็นรูปที่เราไม่พอใจก็ตกลงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานสาวลึกๆ ล, ลงไปก็ยาวเยียดอีกละแต่ว่าเวลาสอนนั้นก็จะพูดกันเป็นตอนๆคือเอามาพูดหมดไม่ได้ปัะเดี๋วก็มั่วหมดเลยสับสนกันหมดคนไม่มีพื้นฐานที่จะเข้าใจแล้วก็ ไม่ได้ท่องไว้ให้แม่นยำนอกจากว่าเวลามันเกิดปัญญาพิจารณาหินขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็จากนั้นก็จะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต่งมากยิ่งขึ้นทีนี้เวทนายประการหนึ่งที่แสดงออกต่อสิ่งที่เราสัมผัสด้วยความชอบด้วยความไม่ชอบด้วยความเฉย สัมผัสรูปเสียงกินรสปุถะภาธรรมรมนี่แหละสัมผัสด้วยความชอบมันก็เกิดสุขเวทนาสัมผัสด้วยความไม่ชอบก็เกิดทุกเวทนานสัมผัสด้วยความรู้สึกเฉยๆมันก็เป็นอาทุกขกับมสุขเวทนาเรื่องความรู้สึกตรานี้มันเปลีป่ยนแปลงได้สิ่งที่เราเคยรักอาจจะกลายเป็นไม่รักก็ได้สิ่งที่เราเคยชอบอาจจะกลายเป็นไม่ชอบก็ได้สิ่งที่เราเคย ไม่ชอบอาจจะกลายเป็นชอบก็ได้ก็แล้วแต่อย่างใกล้ายๆ ก, ก็คนกับบางคนอะบางวันเราชอบบางวันเราไม่ชอบพฤติกรรมต่างๆของเขานั่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันขึ้นอยู่กับเราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองเราคิดปรุงอย่างไรเราปรุงคิดอย่างไรรูปนั้นก็จะเป็นไปตามที่เราเราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาดังนั้น เวทนามันจึงขยายออกเป็นเป็นห้านะเป็นห้าจากสามแล้วก็เป็นห้าเป็นห้าก็คือโสมนัสสุขสุขนะสุขสุ ข, ส ข, สขโสมนัสทุกโทมนัสแล้วอุเบกขาสุขก็คือหมายความมาได้สัมผัสสิ่งที่เราพอใจหรือเรารู้สึกพอใจเราก็เกิดสุขเวทนา เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเน้นที่กายเพราะว่มีโสมนัสอยู่ด้วยโสมนัสก็เป็นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจเกิดขึ้นภายในใจิตใจแล้วก็ทุกก็หมายความว่าเป็นความทุกข์ในทางกายเกิดขึ้นจากการไม่ชอบเหมือนกันไม่พอใจเหมือนกันแล้วก็โทมนานัสก็หมายความว่าเป็นทุกข์ทางใจ ไม่สบายใจไม่ชอบใจด่าใจกรุ่มใจรังเกียจใจก็แล้วแต่แล้วก็อทุกขมสุขเวทนาก็คือไม่ถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชังไม่ถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชังเราก็ไม่ถึงกย็ยินดียินร้ายอะไรก็กลายเป็นอทุกขมสุขเวทนารวมแล้วก็เป็นเป็นเวทนาห้าประการ ทีนี้บางทีนี้ท่านพูดถึงสาเหตุที่มาของเวทนาก็เรียกเต็มยศเลยความเสะเวอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยความเสะเวอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกานาบกาคหนาสัมผัสเป็นปัจจัยความเสะเวอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ความระเบยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกา ย, ยาสัมผัสเป็นปัจจัยความระเบยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอาจจะรู้สึกดีก็ได้ก็เป็นสุขเวทนารู้สึกไม่ดีก็เป็นทุกขเวทนารู้สึกกลางกลางก็เป็นทุกขมสุขเวทนาจากนั้นเวทนาหกโลหกโเนี้มันก็กลายเป็นเวทนาเก้าเก้านี่หมายความว่า เอาสุขสุขทุกข์กับอทุกขมสุขนี่ยสามอย่างมาเป็นตัวตั้งแล้วสุขเฉยๆหรือว่าสุขที่เจือด้วยเหยื่ออมิตรล่ อ, อ, ลอกระตุน้นเร่งร้าวให้เกิดความพอใจหรือว่าทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจากเหยื่อที่เราไม่พอใจ รลงว่าตรงนี้มันก็เกิดได้สามอย่างคื อ, อสุขทุกข์แล้วก็อาทุกข์กมาสุขที่เจือด้วยอมิตรที่เจือด้วยวัตถุสิ่งของเป็นเหยื่อเป็นเครื่องล่อทาให้เกิดกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นประการต่อไปก็คือก็สุขนั่นแหละ แต่ว่าตอนนี้พูดถึงเจือนะเจือด้วยอมิตรหรือว่าทุกก็เจือด้วยอมิตรอตนะุกรมาสุขก็เจือด้วยอมิตรตกลงว่าพวกนี้มีเหยื่อล่อมีตัวกระตุ้นให้รู้สึกเป็นสุขแล้วก็ข้อชุดที่สามก็เป็นนิรามิตรสุขหรือนะนิรามิตรทุก็ใช้นิราเข้าไป วันนี้เป็นนิรามิสทุกนี่เป็นรามิ น, น, านิรามิตมสุขนี้เป็นนิรามิตอทุกขมสุขก็รวมแล้วเป็นเก้าเวทนาเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งท่งานก็กระจายออกไปเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันยาละหกหกสามก็สิบแปดบกสามสิบแปดก็ไปผูกพันกับการทั้งสาม คือการปัจจุบันนั้นหกการอนาคตนะไม่ใช่การในอดีตนั้นหกการในปัจจุบันนั้นหกรวมแล้วก็เป็นหกสามสิบกสามกก็ไปยึดยยงกับตันหายตักษณอย่างละสามก็หมายความว่าเป็นกรรมตันหาสามเพราว่าตันหาสามที่เพราว่าตันหาสาม ตรนามันมีสามสามสามก็สามสามสามก็หกสามหกสามก็สามสิหกเหมือนกันรวมแล้วก็เป็นเวทนาร้อยแปดที่เราเรียกว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเนี่ยเมื่อเวทนามันมีร้อยแปดตัะหามันก็มีร้อยแปดตามก็ไปด้วยแต่การนับอย่างนี้นานท่านจะนับสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าไปนับมันบ่อยๆ เพราะว่าก็จำม่วเหมือนกันเนะี่ยมันต้องมีต้องมีกระดาษเขียนทดเพื่อจะให้ดูเห็นกันว่าลักษณะความจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นถ้าพูดปากเปล่าบางทีมันก็ดูไม่ทันเหมือนกันเนะี่ยคือคือคนต้องต้องรู้จัก เรื่องของเวทนาตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วจึงจะสามารถจําแนกได้แต่ว่ากล่าวโดยสรุปในที่นี้ก็คงสอนให้มองว่านิเวทนานี้ความเกิดเวทนานี้ความดับของเวทนาการดับของเวทนานั้นมันเป็นการดับที่สืบเนื่องมาจากอวิชชาสังขารวิญญาณ นามรูปอายตนะผัสสะแล้วกเบทนามาจนถึงเมื่องความดับของเวทนาสรุปว่าในกระบวนการเหล่านี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันยังไม่ดับมันก็ยังไม่ดับมันต้องดับไปด้วยกันจึงจะชื่อว่าดับ การต่อไปนั้นก็คือสัญญาสัญญาก็สรงสอนเหมือนกันว่านี่คือสัญญานี้คือเหตุเกิดของสัญญานี้คือความดับของสัญญาสัญวาสัญญาแปลว่าความจาได้หมายรู้สิ่งที่เราจำได้หมายรู้ก็คือสิ่งที่เป็นรูป เขาเรียกว่ารูปสัญญาจำรูปสัทธสัญญาจำเสียงคันธสัญญาจำกลิ่นรสสัญญาจำรสปุถะพัสัญญาจำเย็น ร, อร้อนนอนแข็งแล้วก็ธรรมะสัญญาจำธรรมารุม่มต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี้สรุปรวมเนียกว่าเป็นสัญญาทีนี้สัญญาเนี่ย มันก็เกิดขึ้นมาจากการกระทบกันระหว่างนามกับรูปหรืออยายตนะภายในกับภายนอกพอกระทบกันมันก็เป็นวิญญาณจากอยายตนะภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยมันก็กลายเป็นสัมผัสจากสัมผัส จากยตนาภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสนี่ก็กลายเป็นเวทนาแล้วตอนเนี้ยบางทีท่านก็พูดสัญญาเข้าไปคือบางทีนี่ก็พูดบางทีก็ไม่พูดถ้าพูดยาวๆก็พูดนะครับอย่างในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยตอนที่ว่าด้วยนิโรธกับตอนที่ว่าด้ยมร ก็จะพูดในเรื่องเหล่นี้ไม่ใช่ตอนตอนที่ว่าโดยนิโรธกับตอนที่ว่าโดยสมุทัยเนี่ยจะพูดถึงสัญญาสัญเจตนาปูรละเอียดมากแล้วก็ประการที่สามก็คือสังขารสังขารก็สอนในรู้เหมือนกันวันนี้คือสังขารนี้คือเหตุเกิดของสังขารนี้คือความรับแห่งสังขาร สังขารแปลว่าสิ่งผสมหรือว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งหมายความมาแต่ละอย่างเนี่ยรวมกันหลายเรื่องด้วยกันแล้วมาผสมกันมีปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งก็ทาให้สําเดงอาการออกมาด้วยประการต่างๆเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นกลางกลางก็มี เวลาเขาเกิดเนี่ยเขเกิดร่วมกันนะหมายความว่าอาศัยกายอาศัยรูปเวท น, า, นาสัา ญ, ญญาตัณหาวิญญาณเนี่ยเขาเกิดร่วมกันทํางานตามหน้าที่ของตัวเองบาะงานมันจึงไปผูกพันกับความจํามันไปผูกพันกับความสุขความทุกข์ในอดีตของเราแล้วไปผูกพันกับวิญญาณ ที่เราสัมผัสอารมณ์ในขณะนั้นนั้นหมายความว่าการสัมผัสอารมณ์ในแต่ละขณะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้สึกไม่ดีมาก่อนเนี่ยทุกขเวทนามนไม่เกิดหรอกเราจะต้องมีความรู้สึกไม่ดีมาก่อนจึงจะเกิดทุกขเวทนาอย่างน้อยสุ ก, ก่อนขณะนั้นมันเกิดความรู้สึกไม่ดีมาก่อน แล้วเราก็เกิดทุกเบทนาขึ้นเพราะนั้นสังขารก็คือสัพพ ก, กิเลสทั้งหลายที่เราเรียกว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมาทั้งหมดนั่นแหละรวมเรียกอีกทีหนึ่งว่เป็นสังขารเพราะฉะันเบทนาก็เป็นวนหนึ่งของสังขารสัญญาก็เป็นชนหนึ่งของสังขาร ไอ้ตัวรูปเองก็เป็นสังการสังการเนี่ยเป็นคํารวมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดแล้วก็บิน ญ, ญาเนี่ยบินดาเนี่ยทรงแสดงไว้หลายแห่ง วิญญาณธาตุบิณญาณขันบิญญาณทิติปฏิสนธิบิญญาณหรือว่าโมโน ส, สันเจตนาหารวิญญาณอาหารอะไรอะไรต่างๆ ม, มันมีมันมีเยอะเนื้อหานั้นเหมือนกันแต่ว่ามององกันคุลจุดมองกันคนละมุมคนละมุมใดมุมหนึ่งก็ตามแต่ว่าใครจะมอง ก็ทำให้องธรรมเละเยอะเป็นการศึกษาในขั้นรายละเอียดซึ่งก็ในการศึกษานี่มันมันยากยากขึ้นแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจเราจำทรงไว้ได้พอ ปฏิบัติพอเห็นก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นถึงนั้นถึงนั้นเป็นสิ่งนั้นถึงนั้นเป็นสิ่งนั้นก็นนนนจะรู้เราะวิ ญ, ญญาณมันก็จึงมี6วิญญาณนี้เขาเรียกสองอย่างเรียกว่าวิถีวิญญาณหรือว่าวิญญาณอคติมากกว่าวิถีวิญญาณวิญญาณที่จิตทําหน้าที่รับอารมณ์ทั้งผ่านมาต่างตาต่างหูทางจมูกทางลิ้นทางกายต่างใจ เราเรียกว่าจักขู่วิญญาณโสตวิญญาณกานาวิญญาณเทววิญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณแล้วอีกอย่างหนึ่งนั้นก็เป็นตัววิญญาณาขันก็ซึ่งอาศัยขันด่งางเนี่ยนั้นเกิดขึ้นแล้วก็สัมผัส กับอารมณ์ที่กระทบมาจากข้างนอกก็เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบยินดีหรือยินได้ก็กลายเป็นเวธนาเป็นดังกล่าวรับสั่งว่าด้วยดังพันนามานี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างค็ว่าภายในภายนอกหมายความว่าทำอื่นนอกจากธรรมที่เราเห็นในขณะนั้นก็เป็นภายนอกตามที่เราเห็นในขณะนั้นก็เป็นภายในนั้นก็เรียวกว่ามองกันหยาบหยาบ พูดง่ายๆว่ากายของเราก็เป็นกายภายในกายคน อ, อื่นก็เป็นกายภายนอกเวทนาของเราก็เป็นเวทนาภายในเวทนาที่ปรากฏแก่คนอื่นก็เป็นเวทนาภายนอกทีนี้ในส่วนตัวเราเองเนี่ยเป็เวทนามันก็มีเยอะเวทนาเรากำลังเห็นสุขกับเวทนาอยู่ก็แสดงออว่าเวทนานอกนั้นก็เป็นเวทนาภายนอกคือนอกจากที่เราเห็นในขณะนั้น เวทนาที่เรากำลังเห็นคือสุขเวทนาที่เรากำลังเห็นก็เป็นเวทนาในภายในก็สรุปว่าภายในกับภายนอกมันก็จากสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นกับสิ่งที่เราไม่ได้สัมผัสในขณะนั้นอาจจะแป๊เดียวไปสัมผัสก็ได้ไม่ได้แปลกันเลยนีก็เป็น การศึกษาในแนวที่เรียกว่าการทับประพคัคือหมวดทวารโดยขันเปลี่ยนการรู้รูปนามให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าแท้จริงแล้วสังขารร่างกายของคนเราแต่ละคนนั้นก็ประกอบด้วยรูปขงนามประกอบด้วยรูปประรปขารการ น, นา ม, มาขันด้านั้นเนีย ไม่อื่นไปจากรูปประหน่ำมาขันมั น, มนสแสดงให้เห็นว่าชีวิตเราก็คือรูปประนมดูง่ายๆดูรูปกระนาหรือกายรกรับจิตใ้รูปประขันกระนาะขัน ก็จะเรียกยังไงก็ได้นะจะเรียกยังไงก็ได้ก็ได้บทสรุปที่สุดมันเราก็จริงๆไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่เป็นเราจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆแต่มันก็สักแต่ว่าเป็นรูปนามเท่านั้นเองมันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่มันเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยของมัน เป็นนี้ข้อต่อไปเนี่ยบวดอายตนะอายตนะที่จริงเนี่ยมันก็เป็นกลางๆางคือหกข้อข้างข้างหน้าเนี่ยมันเป็นกลางกาต่หจมลิ้กายก็เป็นกลางการูปเสียงกินรสปุถะพระก็เป็นกลางๆแต่ว่าธรรมะรลงกับใจเนี่ยมันถูกปรุงแต่ง จจะเป็นกุศลอาจจะเป็นอกุศลอาจจะเป็นกลางกลางก็ได้แต่ในที่นี้ทรงสอนในแนวที่ให้เรามองความจริงของสิ่งเหล่านี้บอทุกครั้งที่เราสัมผัสอารมณ์เห็นรูป้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิน่นด้วยจมูกลิมรด้วยลิน้นถูกต้องยินนอนแกัง้วยกายเนี่ย มันมีสังโยชน์สังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสังโยชน์ข้อนั้นได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราถ้ามไม่เกิดก็รู้ว่ามันไม่เกิดแต่ทีนี้การเกิดของสังโยชน์ทางประสาทสัมผัสเวลากระทบการรม เกบการเทศการสอนการเรียงตามลำดับเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกคือไม่ใช่ว่าเกิดเรียงตามลำดับอย่างนั้นเสมอไปบางครั้งก็จะเรียงตามลำดับมันตามความเข้มข้นของสังโยชน์ที่มีอยู่ภายในใจของคนมากหรือน้อยอย่างไรเนี่ยก็ก็เห็นไปอย่างนั้น สังโยชนนั้นเป็นการเรียงความตามความเข้มข้นของกิเลสเป็นสิประการที่จริงมีอยู่สองชุดนะสังโยชน์มีอยู่สองชุดชุดหนึ่งเป็นชุดในอภิธรรมชุดหนึ่งในชุดประศูนต์แต่ว่าที่พระนำมาพูดนำมาแสดงเนี่ยจะแสดงในชุดประศูนต์เพราะว่ามันไปนเรียงตามลำดับการละได้ของพระรญยบุคคล ตั้งแต่พระโทดาบานขึ้นไปต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ไดนเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไผ่บุญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี